หมวดที่10ภิกษุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งโจรก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยชอบธรรมสาสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลาย